มีคําพูดตัวเองว่าจะช่วยลงตาจะสร้างเจดีย์ลงตา50สิบล้านบาทที่หลวงพ่อได้พูดไว้แล้วนะอันนี้ก็เข้ากองทุนตัว น, นั้น่หละได้มาเท่าไหร่หลวงพ่อจะพยายามเก็บเล็กผสมน้อยแต่เดี๋ยนี้ก็ยังไม่ได้ประกาศเป็นจริงจังแต่ว่าคณะทศไทยญาติโยมผู้ใดรู้ก็ออกมาจะเก็บไว้เอาเข้ากองทุนไว้แต่เมื่อได้สร้างเมื่อไร ยังคอยว่ากันทำมาได้สร้างที่นู่นเออเอาเราจะไปสร้างที่ไหนยังคอยว่ากันอกีกคณะกรรมการวัดของเรากลุ่มของเราประชุมกันอีกที่นึงเพราะปัจจัยนี่มันไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อนะเป็นปัจจัยของส่วนกลางส่วนรวมทางาจิตศรัทธาออกมาเนี่ยเพื่อจะสร้างเอามาสร้างพระเจดีย์เอามาสร้างเจดีย์หลวงตาน่จะสร้างที่ไหน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 ไม่สัมรวมในบาทเนี่ยเราเห็นนะ่ะพระในวัดของเราเรามองอยู่หลายองค์อยู่เนี่ยเนี่ยแต่เราจัไม่ได้ออกมาชี้ตัวชัดๆให้ฟังอันนี้มันผิดธรรมเนียมประเพณีขององค์หลวงตาเวลาฉันจังหันเข้าไปแล้วตาเถืให้พวกเราดูนะอให้เอากล้องโทรทัศน์มาถ่ายถ่ายให้สักหน่อยสักวันเดียเวลาพระฉันยังหันตาเถื่อออกไปข้างนอก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 กินไข่กินนมไม่ได้เด็ดขาดในวัดหลวงตานะไปดูดนมให้หลวงตาได้เห็นนั้นเอาทันทีแต่สมัยหลวงพ่ออยู่นะไม่ใช่ธรรมดาได้หลวงตานะท่านรักษาพระเนนของท่านนะหลวงพ่อเนรู้สึกว่าปล่อยปะ่ละเลยมากนะลูกหลานนะจะกินอะไรก็กินนะจะกินอะไรก็กินนะเท่าที่กินได้นะเพราะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายฟังเอาไว้